ต่อจากนี้เม 9 เมษายน 2540 ใน 21ณพุทธสถานสารี ทวนอีกอีกนะๆ <c oughs> ซึ่งไม่ได้กล่าวว่าซึ่งไม่ได้กล่าวว่า หรือแม้แต่เอาสมาธิทิฏฐิ 6 ของพระ นะท่านผู้ๆเอามาประกอบแล้วก็อธิบายไล่เรียง ก็คอยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตอน มีอาหารมีอาหารก็เป็นอาหารไม่ใช่มีอา จะไล่ตรงตอนท้ายดูกะระภิกษุ สัปปุรุษ 2 มีคําว่าฟังสัทธธรรม 3 มี ให้บริบูรณ์การครบให้บริบูรณ์คําว่าบริบูรณ์นี่นะเป็น ตั้งใจรับความรู้ตั้งใจรับ ก็โดยอ้อมมีอย่าง ติดต่อกันได้อะไรนี่เร็วแล้ว รับฟังฟังธรรมะอันดีสัทธธรรมแล้วฟังไปแล้วธรรมะอันดีก็ ไปฟังอีกคราวหน้าฟังอีกคราวหน้าบริบูรณ์ๆ ผู้ใดมาแต่ฟังสัตถธรรมบริบูรณ์ย่อมไม่มีความศรัทธาให้ นะอ้าวนักเรียนทบทวนอนิสงส์ 5 ประการมีอะไรบ้าง 1 อสุตังสุนนาติ ช่วยสนับสนุนมันทําให้เจาะลึกมันทําให้โอ้โหเหตุปัจจัยนี้สมบูรณ์เท่า ทิฏฐิก็สัมมาทิฏฐิไอ้ที่เคยเข้าใจไม่ค่อยตรงนักไม่ค่อย สมาธิทิฐิระดับ 1 ตัวสมาธิทิฐิประการอาตมาก็เคยอธิบายไปแล้ว ก่อนจะพูดปัญญา 6 ข้อ สมาธิสัมมาสมาธินั้นเป็นตัวจะเกิดปฏิบัติองค์ 7 สัมมาสติก็คือให้มีสติปัฏฐาน 4 นั่นแหละสัมมาสติ pega o y v té n t a d c m a t y a 5 เดี๋ยวมี 6พพเด 4 องค์ประชุมมันประชุมรวมยังไม่จะประชุมธรรมดาในกายในกายถ้ากายในกายคือ จากเวทนาติเวทนาในเวทนาเข้าไปอีกเวทนามันก็จิตเวทนา มันเป็นราคะมัน 16 6 แล้ว แข่งคุมอยู่มันยังเป็นฌานที่ยัง นะวิจารณ์ก็คือพยายามที่จะวิจัยและวิจารณ์น่ะมีทํา วิจัยในนั้นน่ะมีธรรมอะไรทํามีนิพพานมั้ยมีธรรมในธรรม และๆพวกนั้นธรรมตั้งแต่นิพพานแยกนิพพานออกรู้ชัดเจนจน เพื่อให้รู้จักสูตรเท่านั้นแหละให้รู้จักสูตรเท่านั้นแหละเวทนา สุขเวทนาทุกขเวทนาเอ่อทุกขเวทนาโทมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาเวทนา 5 เวทนา 6 จักขุสัมผัสชาเวทนาจักขุตาไปเวทนาทั้งตา อุเบกขามะมามาขยายก็ ตาก็มี 3 แล้วจมูกก็มี 3 หูมี 3 ลิ้นมีโอ้โหอ่ะชั่วโมง รับรองว่าถ้าอาตมาๆแล้วก็บรรยายอ่าเป็นอรหันต์ทาง ขีดต้นขีดนี่มันจะชัดนี่อาตมาเอาแต่แค่อย่างงี้ๆเอาแต่มือน่ะไม้บี 38 ก็แบ่งเป็น 2 ทีนี้ๆเป็นทุกคนจริงๆแล้วว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ย แบ่งแคหสิตะเนี่ยเข้ามานี่มีมั้ยเวทนานี่ความรู้สึกอย่างเงี้ยมันก็ชาวโลกธรรมดา มันเป็นเพราะวตัณหาอยู่งั้นน่ะเป็นธรรมดาธรรมดาแล้วก็ไปอุปทานฟัง มันเป็นอุปทานลงไปในจิตเจตสิกในรูปว่าง คุณเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นเข้าใจกันมาทั่วบ้านๆ ตามหาอาจารย์ใหญ่เลยว่าอาจารย์คนไหนจะเอานิพพานคืนมาให้ก็ได้ แต่หาวะดูถูกแกอ่าพอรุ่งเช้าทําวัดเช้าแกก็มาหิ้วเอ่อรอง ก็เข้าใจอย่างนั้นเป็นภวะตัณหาสมใจเป็นคิเคหะสิตตะเวทนานั่นอวกาศมันอวกาสะมัน ว่างมันก็ว่างโอ้ว่างเข้าใจว่าเนี่ยคือบรรยายกันไป แล้วก็ทั้งๆที่สุตตาเราก็มีรองรับพระอรหันต์ อรหันต์อรหุเนี่ยแปลว่าความไม่รับแล้วอรหังอรหโอรหัง ถ้าอาตมาดิฉันอาตมานี่เป็นเรา สติปัฏฐาน 4ๆถูกทางได้มรรคได้ผล ภาพเพียรจนกระทั่งมันรู้ 979 โอ้โหเลย เสร็จแล้วก็ว่าโอ้พระพุทธเจ้าเดินเกิดออก เมื่อคลอดปุ๊บเดิน 7 ก้าวนั่นน่ะเป็นประปุตตจารย์นี่ต้องพระพุทธเจ้าเกิดต้อง เดินเด 7 ก้าวเออประหลาด 9, ดด9 7 มันมันมันเป็นปุคคลาธิฐานมันไม่มีอะไรต่อ เออมันกลางๆมันๆว่างๆทีนี้เฉยฟัง ตอนแรกมันเหมือนไม่มีตัวตนไม่ใช่เราๆเท่านั้นแหละพอสัก อรูปฌานแล้วก็อยู่ตรงนั้นน่ะวิญญาณัญจายตนะนั่นคือความเป็น ท่านผู้รู้ต่อไปก็บอกว่าแหมมันรับรู้อยู่อย่างนี้ เป็นอักขิณจัญยายตนะไม่รู้นิดนึงหน่อยนึงไม่ๆแล้วกด ไอ้ตอนนี้น่ะมันไม่ขึ้นขึ้นมันก็กดกดก็ขึ้นขึ้นมันก็ นิคุเนวะสัญญานาสัญญายตนะมันก็เลยอืมอาลันดาบทก็เลยบอกว่าโอ้ปุธคดาบทน่ะยังไม่จริง ลําลําเรื่องๆปรปรึกอยู่อย่างนั้นน่ะน่ะจะให้รู้ อากาสานัญจายตนะสัญญาเมื่อกําหนดรู้ได้ว่า อากิญจัญญายเป็นยังไงทําฝึกให้มัน กำหนดรู้เนวะเนวะ เมื่อเรารู้มันหมดแล้วเรา ถ้าคุณเองคุณทําได้ว่างๆคุณจะพักผ่อนพักผ่อน ได้พักผ่อนดีมากๆไม่ยากแต่ถ้าทําได้นะโอ๊ยนั่นแหละ เออไม่ง่วงไม่มีสรูปภาพเสียสภาพสมบูรณ์อรูปฌานนี่สมบูรณ์อาตมาได้ทุกวันๆ ท่านเราก็ควรจะฝึกฝนเรียนรู้นะไม่ใช่ว่า จ้ะสมถะวิธีเอามาใช้เป็นทั้งทั้งสมถะวิธีหรือเป็นอาศัยพักผ่อน มันเป็นการเสพสมนี่เป็นทางจิตในจิตมัน นะฝันอยู่เลยฝันเฟื่องอะไรก็ได้สมที่ฝันมัน น่ะเป็นอากิญจัญญายตนะภพเป็นเนวะสัญญานาสัญญายตนะภพแล้วเป็นเวทนามัน นะเป็นสมุทัยมลายมูลสูตรมูลสูตรตัวปฏิบัติ 4 ฉันทะเป็น เป็นสมโสรนาเป็นที่ประชุมลงเพราะสมาธิ เสร็จที่มันสะอาดจากกิเลสจะชั่วคราวจาก ต้องรู้จริงไม่สงสัยลังเลต้องมีสภาวะให้รู้ ปีติลดปีติได้อีกก็ รวมทั้งอุปมุพุใดสามารถที่จะรู้ชัด ก็คืออินทรีย์เกิดปัญญาก็คืออินทรีย์ทีนี้คุณฟังอาตมา <c oughs> สัมมาทิฏฐิไอ้ที่เคยเข้าใจไม่ๆอยู่ประการอาตมาก็เคย 3 ประการหน้าเป็นก่อนจะพูดตรงปัญญาปัญญินทรีย์ทั้งๆที่ ทำมวยใจสมโภชชงสมาธิทิมรรคขังขะหรือองค์แห่ง เสร็จแล้วเราก็มาส่งมา คุณปฏิบัติให้เกิดสติปัฏฐาน คุณมีในองค์ธรรมคือธรรมะต่างๆองค์หลักสําคัญ พระเราทำสติปัฏฐาน 4 เมื่อเราปฏิบัติถูกต้องรู้จักเออมันมีตัว แบ่งแยกชัดเวทนามีความรู้สึกจากความรู้สึก 16น ะ, ธธรรร ด, 16 เราก็อ่านลักษณะเจตสิกต่างๆทั้ง 16 3 หรือเป็นสังขิตะวิกิตตะได้ผลบ้างแล้วแต่มัน เรียกว่าหนักอยู่ยังไม่ค่อยแม่นยังไม่ค่อยเก่งจนกว่าวิตกวิจารณ์ชาญ 1 เนี่ยวิตกวิจารณ์เนี่ย มีเรื่องอะไรในจิตเนี่ยเราตัววิตกะหรือวิตกแล้วเราสมุทัยอริยสัจอ่านิโรธอริยสัจทุกขนิโรธ แล้วมันก็ๆ36 คนที่ไม่มีพื้นฐานก็เลยบอกอาตมาพูดถึง 2 เวทนา 3 ก็สุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาทุกขเวทนาเอ่ออุเบกขาเวทนาทุกขเวทนา 6 เกิดจากเวทธานทั้ง 6 เกิดจาก ทางลิ้นทางกายทางใจ 6 เวทนานะเวทนา สัมผัสแล้วเกิดเฉยๆทั้งตามันก็ตาอีก 18 แล้วก็รู้นะว่าภาษาที่พูดภาษานี่ถ้าอาตมาเขียนก็แล <c oughs> เป็นอรหันต์ทางทางภาษาก่อนนะแต่ปฏิบัติยังไม่รู้ ถ้าไม่จาก 18 มาๆ18 มา, มา, มา, ทั้ง 18, 18 2ๆ ไม่ๆแล้วว่าไอ้จริงๆก็ไม่พูดกันอาตมายังไม่เห็นอาจารย์ไหน คลเกียาสิตเวทนานี่ความรู้สึกอย่างเงี้ยมันก็ชาวโลกธรรมดาเพราะ นั่งหลับธรรมดาธรรมดาแล้วก็ๆใน คุณไปสัญญาว่างๆ สมัยๆมาตามหานิพพานแค่บอกแกนั่งได้แล้วนิพพานนั่งไอ้แท้ๆอาตมาฟังแก ว่าผู้ภาษาฝรั่งก็เป็นล่ามมาพูดไม่รู้จักนิพพานเอออ่ะไม่รู้ก็ คือมันเข้าใจอย่างนั้นทิฏฐิอย่างนั้นเป็นภพ มันว่างโลกมันบ่เฉยโรงเหมือนไม่มีตัวเราเหมือนอวกาศมันว่างๆว่าง มันก็ว่างโหว่างเข้าใจว่าเนี่ยคือบรรยายกัน แล้วก็ทั้งหมดไม่ยึดติดว่าอัตตานั้นเป็นอัตตาทั้ง อรหันต์นี่อรหุนี่แปลว่าความไม่รับอรหังอรหโอะอรหัง เพราะอัตตามายึดอัตตานี้เป็น สติปัฏฐาน 4ๆถูกทางได้มรรคได้ผล ถ้าเพียรจนกระทั่งมันเกิดด้วยโอ้โห 79 เลย นะเสร็จแล้วก็บอกโอ้พระพุทธเจ้าเดินเกิด เมื่อคลอดปุ๊บเดิน 7 ก้าวนั่นน่ะไปเป็นเดินไปที่ 7, 7, 7 แล้ว เดินเด 7 ก้าวเออประหลาดดี 9, ดด9 7 ยองลง แต่เป็นนามเนี่ยมันเป็นนามเป็นธรรมธรรมอธิฐานถึงอุเบกขาแล้วว่าง ทีนี้เฉยๆว่างๆเมื่อกี้พูดถึง พอสักไม่นานมันรู้แล้วว่าคือจริงๆมันก็เป็นวิญญาณนัญจายตนะวิญญาณ วิญญาณัญจายตนะน่ะคือความเป็นเราขึ้นมาแล้วเป็นวิญญาณหรือเป็นตัวเรา ไม่รับรู้ไม่อะไรดับเข้าไปอีกเป็นอากิญจัญญายตนะอากิญจัญญายตนะก็คือนิดนึงน้อยนึง จะกดก็ไปอื้อหือสะกดได้เก่งๆแล้วกดไว้หมดฤทธิ์ กดมันก็ขึ้นขึ้นมันก็กดกดก็เอ๊ะจะว่าตนก็ไม่ใช่จะว่าไม่ใช่ อาลันดาบทก็เลยบอกว่าโอ้อุทกดาบทเนี่ยอยู่ที่ไม่มีรู้อะไรกดให้ไม่รู้ เจ้าว่าไม่รู้ก็มันก็มีรู้ๆอยู่มี วิญญาณัญจายตนะเราก็กําหนดคุณว่าวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นอย่างไรสัญญา มีสภาพไม่ใช่เดาที่อาตมา สัญญาทั้ง 64 ของ 4 ของอรูปฌาน ถ้าคุณเองคุณทําได้ว่างๆคุณจะพักผ่อน ได้พักผ่อนดีมากเลยๆไม่ยากแต่ถ้าทําได้นะโอ้ยนั่นแหละ เออไม่ง่วงไม่มีสุขภาพเสียสุขภาพสมบูรณ์อรูปฌานนี่สมบูรณ์อาตมาทําไม่ได้ๆ เพราะเราก็ควรจะฝึกฝนเรียนรู้อ่าไม่ใช่ว่าไป จะสมถะวิธีเอามาใช้เป็นดรรถสมถะวิธีหรือเป็นอาศัยพักผ่อนหรือ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 นะเป็นสมุทัยมาไล่มูลสูตรมูลสูตรตัวปฏิบัติ 4 ฉันทะเวทนา เป็นสมโสรนาเป็นที่ประชุมลงเพราะ จิตที่มันสะอาดจากกิเลสๆ ต้องรู้จริงไม่สงสัยลังเลต้องมี ปีติลดปีติได้อีกก็ซ้อน รวมทั้งเอามาพูดใดสมาธิที่เป็นฌาน ก็คือเกิดปัญญาก็คืออินทรีย์ทีนี้คุณฟังอาตมา <laughs> ยึดถังเป็นพิธีที่เป็นรูปขุดตังค์นั่นก็คือจัดการ นะคล้ายๆฐานแต่มันไม่ใช่เทวรูปก็เอาผลไม้ไปให้เทวรูปกิน โอ้อลัยนิวตันจริงๆแล้วเป็นรูปแบบเป็นวิธีทีโอ้ถ้าคุณอนุตรเรา oh. ไอ้วายเจ้านี่ก็ฆ่าเป็ดไปๆเลยนะแล้วก็ไปไหว้เจ้าเจ้าไม่รู้ เสร็จแล้วก็มาล้างเช็ดห่อเก็บไว้ปีหน้าเอามาไหว้ใหม่ทุนนะแต่เรา เจ้าไม่ฉลาดเท่าเราหรอกเออไม่ฉลาดเท่าเราก็เจ้าจะไป แต่เรารู้ว่าเราทําอย่าง ไม่ได้เพื่อเราจริงๆกันอาตมาอนุโลมนานนานก็ได้ตั้งแต่ นี่ก็อธิบายหน่อยหนึ่งโดนปลุกสอนหัวใจใครก็โดนไปบ้างก็ต่อมาก็คือโลกนี้โลกหน้าและก็กรรมหน่อยนึงอ่า กรรมังอายสสุกตะทุกตะตานังกัมมานังพลังวิปากโควใครรู้จักว่าไอ้สุกตะทุกตะตานังกัมมานังพลัง มันก็นำหน้าว่าใช่มีถ้าผู้ใดเห็น เป็นสิ่งที่เข้าใจยากเออเนี่ย แต่โลกที่อยู่เหนือน่ะได้มั้ยได้ไปพิสูจน์เดิน มีคุณก็รู้โลกนี้โลกหน้าผีนําทาทางเดินเข้าไปสู่โลกใหม่ได้ ถึงแม้ว่าคุณไม่มีกุศลที่เป็นโลกุตระคุณเป็นกุศลโลกิตายไป เอ่อชาติหน้าแต่ ละบาปใครอ่ะละบาปตัวเองทํายิงประยองแหมฆ่าทํากรรม <c oughs> จะสู่โลกหน้าๆแล้วโลกนี้และโลกหน้าจะเป็นกุศลทางโลกีย์และกุศลทางโลกุตระ ถ้าพระองค์คุณรู้ด้วยอ่าคุณจะใหญ่คุณจะเก่งคุณจะเชี่ยวนี่หมวดที่ ถ้าใครเข้าใจว่าแม่ไม่มีพ่อไม่มีไม่รู้ อัตมันก็เล่นมามากมายนะชัดเจนจึงเอามาเล่าอ้าวมีเหรอ ไปถามคนชาวบ้านข้างนอกนู่นก็ได้ล้านตรานู่นมีแม่มั้ยมีเนี่ย เอออย่างคนเราที่รู้ว่าแม่มีพอมีนี่แหละน่ะ 8 9 7 8 8 7 8 เนี่ยมันเกือบ อ่านเราคิดอะไรอาตมาเขียนอันนี้พอสมควรเช่นว่าพระพุทธเจ้า เป็นแม่พาสื่อแบบบุคคลเป็นตัวตน เพราะยังน่าจะเป็นแม่เลี้ยงก็เป็นอย่างนี้เป็นแม่ ไกชิดเนื้อเช็ดขี้เช็ดเลี่ยวอยู่อุ้มๆศีลต่างๆธรรมต่าง นะแปนที่เราคิดๆนานายังมีอีกลึกนะ ใครที่มองแม่มองพ่อไม่ออกไม่รู้จัก แล้วก็ๆที่อาตมาพาพวกเราเกิด ทำคลอดให้ได้เกิดคุณตัวเพราะๆๆๆ กิริยาอย่างไรเป็นผู้หญิงกิริยาอย่างไรเป็นผู้ ศรัทธาขึ้นบ้างมั้ยบ่ได้บุญขึ้นบ้างมั้ยฮะนี่เปิดตําราเปล่า อาตมาคนพระกลางทอนมันหมูไม่เคยมีฮะไม่เคยได้ยินด้วยเห็นมั้ยธรรม แยบคายทําจิตให้แยบคายโยนิโสมนสิการเพราะฉะนั้น ไปรู้จุดที่จะทําแล้วรู้จุดมี สั่งสมสมาธิขึ้นสั่งสมๆเรื่อยๆๆก็จะให้มันขึ้นได้ ก็ไม่บริบูรณ์สติสัมปชัญญะก็อย่างคนตื่นเนี่ยอ่าอย่างเมื่อกี้พูด อัตตาไม่อาตมาอธิบายให้พระคุณบริบูรณ์คุณบริบูรณ์เพราะบริบูรณ์ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของคุณ 4 บริบูรณ์มันจะบริบูรณ์ การเดินไปเป็นพระพุทธเจ้าบริบูรณ์เมื่อโพชฌงค์ 7 บริบูรณ์วิชชาและ ศรัทธาก็ไม่บริบูรณ์โยนิโสมนสิการคุณก็ไม่บริบูรณ์มันก็เท่าที่คุณใต้คุณได้ค่ายอย่างผิดอย่างผิด เป็นถ้าไม่อัจฉริยะพูดสติสัมปชัญญะของคุณก็ไม่ไม่ มันไม่ทรุกข์ขี่ขั้นที่แล้วคุณรู้ทะลุไปถึงเวทนาอย่างไร เดี๋ยวมันตายหนอคุณก็ได้แค่นั้นน่ะจับหนอสัมผัสหนอร้อนหนอ ของคุณไม่ได้ลึกซึ้งอะไรแล้วนิวร 5 มันจะหมดเหรอได้มีหมด เพราะฉะนั้นอวิชชาไม่มีหมดอ่าวิชชาวิมุตติไม่มีทางเกิดเพราะ ตระกอนกามนะภวตัณหาเจริญงอกงามเพราะมันไม่บริบูรณ์ก็ นะๆแล้วเสร็จเสร็จอาตมาจะไล่ทวนไปก่อนแล้วสูตรสูตร วิทยาศาสตร์อะไรนี่เหมือนกันเลยสูตรเหล่านี้ ให้สํารวมใน 15 อินทรีย์ทั้งวร 6 สังวรทั้งหมด 8 แต่ 1 9 เดว่ายากกลางบ้านเลยอ่ะวิจัยเวทนาในเวทนาวิจัยจิตได้ก็ เมื่อเป็นฌานลืมตาๆ สิ่งที่ไม่ให้มีเราก็ทํา ที่มันจางคลายลงไปกิเลสจางคลายก็ โดยเนื้อมันเราเกื้อกูล เหมือนกับคนกลับนี่อาตมากําลังกลับไปกลับมาอยู่นี่ นะลกกินหัวหนักนะไอ้ตรงนี้นะ อ่ามโนมยิทธิเป็นอันที่ 3 นี่หมู่มโนมยิทธิมโนมยิทธิก็คือฤทธิ์ทางจิต มีฤทธิ์อะไรมีฤทธิ์ทางใจมีฤทธิ์ๆอิทธิวิธี 6 อ๋ออาสวะ 9 มี 9 ถึงเรียกว่าวิชา 9 หรือญาณ 9 แต่ 8 วิชา 8 ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่ 9 ก็บอก 8 9 เดี๋ยวตีกันก็ 8 บวกแถมก็ 8 ก็ 8 เค้า 8 ก็ไม่ว่า เกิดฌานและเกิดฌานอาตมาในในสามัญญพจนสูตรๆก็เหมือนกันหมดในเล่ม แทบจะไม่มีคําก็ 9 แต่เอทีวีที่ๆแต่ว่า